บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปกระแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่รรพระพุทุพระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยติต่างๆนั้นเมื่อเราก่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วตัวเรื่องของชีวิตคนแต่ละคน ที่เรียกว่าทรงแสดงธรรมะจากปลายผมถึงปลายเท้าของคนดังนี้รับสั่งแสดงโดยสรุปว่าลูกก่อนภิกษุทั้งหลายเราแสดงโลกความเกิดของโลกความดับของโลกและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับของโลกที่สกลกายอันมีความยาวประมาณวานหนึ่งมีความกว้างประมาณกรมาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่ง ซึ่งมีใจครองนี้เองไมไ่แดงที่ใดเลยและเมื่อสรุปรวมธรรมะลงในอริยสัจทั้ง4ี่ประกาศที่พูดด้วยภาษาทางวิชาการในปัจจุบันว่าเป็นการศึกษาเรื่องของปัญหาเรื่องสาเหตุของปัญหาเรื่องความไม่มีปัญหาและเรื่องหลักการบีติกาในการแก้ปัญหา อันเป็นโครงสร้างของอริยศัตร์ที่พระเจ้าทรงศัจจะรู้เด่ น, ดนบมาตรวจสอบดูภายในร่างกายภายในจิตใจของเราที่ทรงใช้คำว่ามีใจครองหมายความมาเป็นการศึกษาในส่วนรู ป, ปรนามรูปนามหรือในส่วนของขันห้าที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตเป็นร่างกายของบุคคลเราเนี้ เราก็จะพบว่าปัญหาก็อยู่ในตัวชีวิตนี้เอจะเกิดปัญหาก็อยู่ตรงนี้ความดับปัญหาหรือความไม่มีปัญหาก็อยู่ตรงนี้หลักการวิธีการที่จะดำเนินไปสู่การแก้ปัญหาก็อยู่ที่จิตนี้เองแต่นั้นธรรมะจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเป็นกระบวนการของเหตุผล บางครั้งท่านแสดงโดยสรุปถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักษุคือดวงตาที่เห็นธรรมได้ผุดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลระดับระยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปว่าจึงไดจริงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา อันแสดงให้เห็นตั้งการเกิดของปัญหาและการเกิดของความไม่มีปัญหาเพราะเกิดขึ้นโดยกฎเกณฑ์เงื่อนขธรรมชาติธรรมดาเพราะถ้าจะดับตรงนั้นมันก็ดับที่ตัวเหตุหรือจะสร้างให้เกิดขึ้นก็ต้องไปสร้างที่ตัวเหตุเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วทุกข์กับนิโรดนั้นเป็นเพียงผลด้านั้นเอง เราไปจะแก้อะไรที่ตัวทุกข์มันก็แก้ไม่ได้หรือจะไปสร้างที่ตัวนิโรธเองมันก็ทําไม่ได้มันต้องสร้างที่เหตุได้เกิดนิโรธวันทัดเทียบเคียงการดําเนินชีวิตประจําวันของเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราไม่สามารถจะสร้างความอิ่มโดยตัวของเราเองได้เราก็สามารถบริโภคอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นไปโดยลําดับ ถ้าจะยิมพูดพราดมันก็ไม่ได้ก็ต้องค่อยกินค่อยค่อยกินค่อยเป็นค่อยไปไปถึงจุดหนึ่งปริมาณของอาหารที่เพิ่มขึ้นมันก็ให้ความอิ่มแก่เราและตัวความอิ่มที่บังเกิดขึ้นนั่นเองนอกจากต้องจากจะให้ความอิ่มอิ่มให้เรยวแรงให้กำลังแก่เราแล้ ว, ลวก็ยังค่อจัดตัวเหตุของความผิวและอาการของความผิวไ้ด้วย พราะในขณะที่ปรากฏความอิ่มอยู่ภายในเหตุไห้หิวก็ดีความหิวก็ดีก็ไม่ปรากฏร่วมในขณะนั้นๆซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าตัวมัดคือตัวเหตุให้เกิดความอิ่มแล้วก็มีอยู่ในที่นั้นธรรมะจึงแบ่งออกเป็นสองด้าน แล้วบูาาในการเทศการแสดงของพระพุทธเจ้านั้นบางครั้งก็ทรงใช้คําคว่ากุศลนกุศลเป็นการพูดเฉพาะเหตุคาว่ากุศลนกุศลที่จริงเป็นการพูดถึงตัวเหตุบางครั้งพูดถึงเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ก็แสดงว่าเป็นการพูดทิผลแต่ทุกข์กับความดับทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเหตุ แต่การแสดงที่เหตุก็แสดงว่าผลที่เราต้องการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ต้องการถ้าไม่ประกอบเหตุและแม้ผลที่เราไม่ต้องการก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าเราไม่สร้างเหตุผลมเมื่อเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดเพราะหลักธรรมทางพุทธศาสนาจึงเป็นกระบวนการของเหตุผลญาณยะธรรมะที่ท่านพูดกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เราเรียกกอนว่าคาถาเยธรรมาอันทีจริงได้เป็นคํากล่าวของพระสัจจิเทระไม่ใช่พระพุทธเจ้ารับสั่งเองแต่เป็นการกล่าวด้วยญาณความรู้ของท่านที่สรุปเนื้อหาธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งปวงไว้โดยภาษาที่สามารถสื่อสารกับคนที่เป็นนักปรารถนาผลิตทั้งหลายเกิดความเข้าใจได้ ประทางหลายเกิดจากเหตุพระเจาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติสัจอย่างนี้ซึ่งเมื่อกล่าวโดยหนื้อหาสาระแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันกับคำที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาหรือ การพูดถึงเรื่องอริยสัจดังกล่าวผลธรรลระนี้ที่จริงเป็นเพียงโบหานในการสื่อสารในการติดต่อกับผู้ฟังในกรณีดัง น, นั้นเท่านั้นเองเนื่องจากพื้นฐานของผู้ฟังมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราถ้าจะมอบหมายทำงานอะไรมากมากนั้นคนเขาไม่ชอบทำ แต่จะให้ประโยชน์แกเขามากมากนะเขาชอบเป็นธรรมชาติธรรมดาทั้งหมดแล้วกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติเองเขาก็มีข้ออย่างนั้นมายความว่าผลนั้นจะเกิดมากกว่าเหตุที่เราประกอบการทำลงไปหลายเท่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าอาจจะเป็นหมื่นหมื่นเท่าแสนแสนเท่าก็ได้ทํานองง่ายๆเราปลูก ต้นไม้ลงไปเช่นปลูกมะม่วงโดยใช้มเมล็ดมะม่วงเพียงมเมล็ดเดียวแต่ม่วงสามารถให้กิง่งให้ให้ต้นให้กิง่งให้ดอกให้ใบให้ผลมากมายก่ายกองทยอยให้กันหลายรด้ปีผ่านช่วงอายุคนไปตั้งหลายช่วอายุคนก็แสดงว่าเหตุมันก็เริ่มจากมะม่วงเพียงมเมล็ดเดียวแต่ผลก็ทยอยให้กันมาได้ เพราะเราเอาสิ่งเหล่านั้นแกก็พยายามสร้างเขตเกิดเป็นเหตุเป็นผลที่ทยอยกันไปอย่างต่อเนื่องจึงสามารถให้ผลได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้ า, ถาหลังจากเราปลูกไปแล้วไม่มีการสร้างเขตสร้างผลที่ต่อเนื่องจริงนั้นก็ดับภาพเหล่านี้ถ้าเรามองถึงวิทยาการสมัยใหม่จะเห็นได้อย่างชัดเจนคล้ายๆกับที่ สหรัฐเบรเกอก็ดีรัเสเซียก็ดีที่ส่งยานอวากาศออกไปนอกโลกมันจะใช้จรวหลดสำหรับขับดันเป็ชุดเป็นชุดไปเรื่อยอันหนึ่งยิงออกไประยะหนึ่งหมดแรงส่งตัวที่สองก็ระเบิดส่งต่อไปวันนี้หมดแรงตัวที่สามก็ระเบิดส่งต่อไปเรื่อยจนถึงยานเราดันออกไปอยู่ในสุญญากาศ ธรรมะปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็จะเป็นเช่นนั้นหรือแม้กระบวนการธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นหมายความว่าเป็นการทยอยต่อเนื่องกันไปของเหตุผลผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องทำหน้าที่เป็นเหตุก่อนแล้วก็ดับไปก็เป็นการเป็นเหตุเป็นผลกันด้วยในตัวเองหมายความว่าทุกอย่างนั้นเป็นทั้งผลแล้วก็เป็นทั้งเหตุ แต้วเหตุกับผลจะไม่มีความขัดแย้งกันอย่างที่ทรงอุ ป, ปมาเมื่อการปลูกพืชอย่างที่ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอเราปลูกพืชชนิดใดผลก็จ้างออกมาเป็นชนิดของพืชเหล่านั้นเราก็ทรงแสดงในเชิงเหตุเป็นหลัหลกๆจึงมีอยู่สองเหตุดังกล่าวก็คือเหตุที้เกิดความทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดความดับทุกข์ แต่การจะเกิดทุกข์มันก็ทุกข์ก็ลดหลั่นกันขึ้นไปเหตุดับทุกข์ก็ดับได้เป็นระดับกันไปแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าตัวทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงเหตุให้เกิดทุกข์ก็เหตุให้เกิดทุกข์จริงความดับทุกข์ก็ดับจริงแต่เหตุให้ถึงความดับทุกข์ก็เป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์จริงแต่จะดับได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความเหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทาลงไป ดังนั้นธรรมะไปรยายต่างๆที่ทรงจาแนกแสดงจึงเป็นเรื่องของการสร้างเหตุเพื่อเพิ่มผลในทางที่และผลในทางที่ดีนั่นเองจะทำหน้าที่ไปดับเหตุในทางที่เราไม่ต้องการเมื่อเหตุในทางที่เราไม่ต้องการถูกดับไประดับหนึ่งผลที่เราไม่ต้องการก็ลดลงไประดับหนึ่ง ล้วจึงเห็นกระบวนการของเหตุผลที่มีความต่อเนื่องกันของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ไกันซึ่งนันสายชนหลายจะสังเกตได้ว่าที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยประยายต่างๆนั้นจะเน้นที่ตัวมรรคสั์เป็นพื้นแต่เราธรรมะทั้งปูมาเกาะกลุ่มกันแล้วก็แยกเป็นประเภทดู เราจะพบว่าธารธมารมะอธรรมะประเภทที่เป็นมรรคศาสตร์นั้นมีไม่นอ้อยกว่าเจ็ดสิบอร์ซต์ธมรมที่ตัวเป็นนิโรธมีไม่ถึงห้าอร์ซพูดนิดเดียเพราะเป็นความอิ่มดังกล่าวเป็นความอิ่มเป็นความสะอาดเป็นความเย็นจึงมาเป็นผลเฉยๆธรรมะในส่วนที่เป็นเรื่องของกิเลสที่ควรลดละจะมีถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ธรรมส่วนที่เป็นทุกข์ก็จะมีลักษณะยอย่างกันแต่ที่จริงแล้วมันก็ทำอะไรกับพวกนั้นเขาไม่ได้เพราะนเวลาทรงจำแนกแสดงเป็นกลุ่มที่จริงก็เป็นวัวหารในการเทศการสอนโดยการอภิปรายการอธิบายธรรมะนั่นเองกลุ่มที่เป็นปรากฏการธรรมชาติทั้งหลาย มันเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจถึงสถานภาพที่แท้จริงของสิ่งเรานั้นเขาเป็นวัวเขาอย่างไหนเขาก็เป็นว่าเขาอย่างนั้นไม่มีใครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ถ้าเป็นระดับบรรเทาทํ า, าทได้ถ้าเป็นระดับแก้ขาดไปเลยมันแก้ไม่ได้ ตราบใดที่เขายังมีเหตุเพราเขาเป็นเพียงผลด้านั้นเองเราไปแก้ที่ตัวเขาวไม่ได้การแก้ก ก, การปวดเมื่อยที่มีอยู่ในร่างกายเราะจะบีบจะนวดจะทํำยังไงก็ทําไปมันก็ทําได้แค่บรรเทาเพราะจริงๆตัวเหตุมันได้อยู่ตรงนั้นมันมีการแก้แกะแก้ที่ผลก็ทําได้แค่บรรเทา ลดความรุนแรงลงไประดับหนึ่งใได้กับพวกยาท่ฏ่าภายนอกทั้งหลายทั้งที่สาเหตุเข้ามาจากข้างในเราก็ทำได้แค่บรรเทาคลุ่ม้อนี้จึงเป็นการเรียนรู้ในแนวของสภาวธรรมต่ลาศึกษาก็จริงๆก็ใช้ศึกษาหลายวิธีหมายความว่าจะเอาไปสั่งสอนในเรื่องอะไรก็ได้ จะยกตัวอย่างดอกไม้ดอกหนึ่งตัวเนื้อหาสาระเขาจริงๆเป็นทุกข์กษัตริย์เป็นผลที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมดาของมันแต่ตัวก็มานั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยตามกฎเกณฑ์กั่แค่ชีวิตทั้งหลายพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพียงแต่ว่ามันมันเป็นดอกไม้ไม่มีชีวิตเราก็ใช้คำเสียใหม่ เราเกิดขึ้นตั้งอยู่การตั้งอยู่นั้นตั้งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแล้วในที่สุดก็เหี่ยวเฉาตายไปบางคร้าก็ส่งสอนในแง่ของความเป็นทุกขสัต์อาจจะสอนจากดอกไม้กำมังบานอาจจะสอนจากดอกไม้กำมังเขียวเรอจะสอนให้ดูที่ดอกไม้เหล่านั้น เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกัดอกไม้และน้อมนํามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาดอกไม้จะเห็นชีวิตเปรียบเหมือนกับดอกไม้ซึ่งผ่านการเวลาไปสู่ความแตกดับไปในที่สุดดอกไม้ที่ปรากฏขึ้นมานั้นเราดูแล้วคล้ายๆจะเขี่ยวชอวไปโดยธรรมชาติ แต่ก็จริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยบางทีประ ก, กอบตัวขึ้นมาจะเป็นดอกไม้ก็ถูกสัตว์ชอนชัยตายจะก่อัดละถูกปัจจัยภายนอกการกระทําของคนของสัตว์ของธรรมชาติโอกาสที่จะบานออกมาได้จริงๆก็มีไม่กี่ดอกพอบานออกมาแล้วโอกาสที่จะบานอยู่ไปตลอดมันก็มีได้น้อย มีภายอยันตรายรอบข้างที่จะต้องตายจะต้องเหี่ยวจะต้องเสวจะต้องสูญเสียความสวยงามลงไปแม้ใ น, ในขณะที่เบ่งบานก็เป็นจะเดียวกันผลเส้นทางชีวิตของดอกไม้ดอกหนึ่งมันก็เหมือนกับชีวิตของคนแต่ละคนเดียวเราจะจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เรียกว่าตายเมื่อชรานั่นก็มีน้อยเอาเฉพาะเรื่องการดํารงอยู่ของชีวิต มันก็ตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกในความแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงไปก็มองในแนวของตองใจรักแต่บางอย่างก็ย้ําเตือนไม่ให้ประมาทเท่านั้นเองอย่ามองในใจรักกันไม่ไหวก็้ย้ําเตือนเอาไว้อย่างน้อยก็เวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทําใจให้ได้เกิดปรับใจใยอมรับความจริงให้ได้ ตามที่ทรงสั่งสอนให้ศึกษาให้สำเนียกให้พิจารณาอยู่ไปป่อยอยังแนวพิหนาปจัจเวกขณะที่ท่านศาสนาไหลสวดสาธยาอยู่ดั้นเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่ทาไมจึงต้องเป็นเราที่จริงมันเป็นข้อมันอย่างนั้นไม่ใช่ตั้งปัญหาว่าทำไมเราจรึงแก่เราจรึงเจ็บเราจรึงตายเราจรึงพราดพาที่จริงมันก็เป็นข้อมันอย่างนั้น ความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นทำให้คนแก่เจ็บตายและพลาดพรากนั้นมันมีมาก่อนก่อนพระพุทธเจ้าสัสรรมันมีมาคู่ของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพรากมันมา ก, กับความเกิดแล้วนี้ก็สรงสอนให้บุคคลพยาหมองชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วพอมีสิ่งน้นนั้นเกิดขึ้นแก่ตนก็ต้องทำใจ ให้ยอมรับความจริงแต่ไม่ใช่ท้อถอยเพียงแต่ปลุกร้าจิตใจให้มีความพรอ้อมในความตื่นตัวที่จะใช้โอกาสซึ่งมีด้วยแรงความเพี่ยนพยายามยังมีอยู่ก็รีเพงกานะทําความดีเอาไว้ปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อไร่อย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันท่านจะเห็น ว, ว่าการพิจารณาชนนี้ที่จริงก็เป็นอรยิยสัจไปแล้วในตัว แม้ด้วยการมองไปที่อะไรก็ตามมองในที่ดอกไม้มองในจีตชีวิตยังไม่น้องเข้ามามันก็กลายเป็นอรยิยสัจเพราะระตัวดอกไม้ที่เรามองนั้นเป็นทุกข์สัจใจที่มีความกําหนัดพอใจชื่นชมกับความสวยสวยงามของดอกไม้นั้นเป็นสมุทยัยสัจ การใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาถึงความจริงที่มีอยู่ในดอกไม้เป็นมรรคสัตว์เป็นสมาสติระลึกชอบเป็นสมาสังกปะดาริชอบจนเป็นสมาวะสมาสติฐิความเห็นชอบในขณะที่ระลึกรู้อยู่ด้านก็มีความเพียดมีจิตใจสงบก็เป็นสมาวะยามะสมาสมาธิกายวาจาก็สงบ เป็นสมาวาิจาสมากรรมตาสมาชีวก็แสดงว่าเป็นอริยมรรคอยู่กันในขณะนั้นเพราะแนวอริยมรรคทั้งสามชนนัยหลอนสังเกตว่าที่จริงเรานั่งปั๊บแต่เรเริ่มปฏิบัติธรรมมันก็เป็นปุ๊บล่ะเพียงแต่ว่าปริมาณมันมากหรือน้อยแต่นั้นเนองเชตัวอย่างที่เราศึกษาและเรียนมาอย่างพระยาศาเดินมาเจอกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สมาทานศีลอะไร ท่เดินบนไปว่าที่นี้บุ่นวายหนอที่นี่นขัดข้องนอนท่านมองเห็นโลกเป็นความบุ่นวายเป็นความขัดข้องนั้นมองอะไรก็มองทุกข์กษัตริย์มองคนของท่านที่นอนและในรนาดอยู่ในห้องมันใกล้ใกลัก็ซากศพผีทิ้งอยู่ในป่าชาก็แสดงว่ายาดมันเกิดขึ้นถึงปัจจุบันไปโยงไปสู่อดีตอดีตมันยังอนาคตมันยังไม่มี คน่า น, นั้นที่จึงขนาดนั้นไม่ใช่ศพแต่อนาคตก็คือศพก็แสดงว่าปัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเชื่อมรวดไปถึงอนาคตตรรกะเห็นค น, นนั้นเป็นซากศพที่ทิ้งเกลื่อนกลาดในป่าชาท่านเองก็เป็นเช่นนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองท่านก็อมองอย่างนั้นเหมือนกันคนแก่คนเจ็บคนตาที่ทรงมองเห็นในขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่า เขตายไปแล้วแต่ว่าคนแก่ในที่หนึ่งก็ต้องตายคนเจ็บในที่หนึ่งก็ต้องตายคนตายก็คือกำลังตายโดยเป็นตัวอย่างว่าคนแก่คนเจ็บต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์เองมันจะเป็นอย่างนี้พระบรมวงศารุวงศ์ทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้พระชีวิตมันล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้สิ่งปรากฏเป็นปัจจุบันแต่ปัจจุบันตรงนั้นเองพอถึงอนาคตเป็นอย่างนั้นแน่นอนอนาคตไกลอนาคตไกลก็เป็นรายละเอียดเพราะชีวิตมันตกอยู่ในกระบวนการและความไม่เทื่ยง าการใช้ปัญญาพิจาณาตรงนี้มก็กลายเป็นมรรคที่มีความสมบูรณ์จิตที่มีความรู้สึกกำนัดเพลิดเพลินยินดีในความสวยงามของดอกไม้จางไปใคร่ไปบรรเทาไปก็เป็นอาการของนิโรธสัจสัตแต่จะมากหรือจะน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสรุปว่าตรงนั้นก็กลายเป็นอรยิยสัจครบแล้วแม้แต่เป็นการมองดอกไม้เพียงดอกเดียว แต่ต้องมองด้วยปัญญาพิจารณาโดยนัยาดังกล่าวบางครั้งบางคราวเป็นการสอนในแนวของสมุทัยศาสตร์สมุทัยศาสตร์นั้นเขาเป็นนามธรรมมันไม่ได้สอนแนวเดียวเสมอไปมันอาจจะสอนถึงเรื่องคนที่ตกนรกก็สอนได้สบหรับคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อในเรื่องนรก ก็ตั้งปัาาถามว่านารกนี่มันเป็นอย่างไรก็อธิบายถึงความรู้ความเดือดร้อนที่ควกมังประสบในนรกด้วิธีการต่างๆมากมายไกลก่กปัญหาต่อไปว่าทาไมคนจึงต้องเกิดในนรกมันก็ย้อนกลับไปสู่อดีตของเขาย้อนไปสู่อดีตของเขาก็บอกถึงบา ป, ปรกรรมต่างๆที่เขาทำมันก็ตั้งปัญหาถามมาทาไมเขาต้องทาอย่างนั้น พี่ก็ทําอย่างนั้นเพราะเขคิดอย่างนั้นเพราะก็เห็นอย่างนั้นเขาจึงทําไปอย่างนั้นบัญหาว่าทาไมเขาทาอย่างะเขาคิดอย่างนั้นเขาเห็นอย่างนั้นก็เพราะกิเลสมันปรุงใจจริงใจเขาก็ทำไม่ได้วความโลภความริษยาความแข่งดีก็กระจายก็ไปสู่กิเลสเราเห็นว่าการแสดงอย่างนี้เป็นรูปธรรมเอาตัวทุกข์สัตว์ที่กําลังเสวยผลของเป็นทุกขเวทนามาให้ดู เราย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตอดีตการที่ท่านคนนี้ยังไม่ได้ตกนรกท่านคนนี้ยังเป็นคนอยู่แล้วก็ทําบาปทำำํากรรมอย่างนั้นอย่างนั้นก็ย้อนไปสู่อดีตมันก็หมายความว่าถ้าเราทําอย่างนั้นอนาคตเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆความเป็นสัตว์นรกของสัตว์นรกนั้นก็คืออนาคตของเขาในชาติก่อนนั่นเองหมายความวัีก็ทำอย่างนั้นอนาคตาก็เป็นอย่างนั้น เราอยู่ในปัจจุ บ, บันเราเห็นอยู่ในปัจจุ บ, บันถ้าเร า, าเราทำอย่างเขาอนาคตเราก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะนรกไม่ได้มีใครสร้างพยามิลิเนเคยเรียนถามปานากับปานากเกษนพระอรหันต์ว่าใครเป็นผู้สร้างนารกปานากเกษตบอกไม่ได้มีคนสร้างแต่ว่ากรรมที่สัตว์กระทำไว้นั่นเองเป็นตัวสร้างนารกขึ้น มันคล้ายๆกับเราแบ่งคุกๆเป็นระหุโทษเป็นมหันต์โทษมหันตโทษได้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิด ข, ขึ้นจากการกระทําของคนหมายความว่าถ้าคนไม่ทํากรรมระดับมหันต์โทษคุกระดับมหันตโทษมันก็มีไม่ได้ไม่จําเป็นต้องมีแต่เมื่อคนไม่ทำข้าวคนนั้นก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมราชการบ้านเมืองก็ต้องจับคนนั้นไปไว้ จะ่อยู่รวมกับพวกโทษและโทษน้อยก็ไม่ได้ไม่สะสมแก่ความผิดมันก็ต้องสร้างคุกขึ้นมาใหม่จะเรียกว่ามารถโทษเอาคนตัว น, นี้เข้าไปอยู่นั่นเอาก็จริงแล้ว ก, กรรมคือการกระทําของคนของสัตว์นั้นเองเป็นตัวสร้างนโลกขึ้นมาสร้างคุกขึ้นมาสร้างตารางขึ้นมาแล้วก็นําเรื่องหน้นนั้นมาแสดงไว้โดยปริยาต่างๆเกิดนยาต่างๆ เราเห็ว่าสิ่งที่นํามาแสดงนั้นคือตัวสมุทัยศาสตร์กับอาการของสมุทัยศาสตร์ที่ออกมาเป็นรูปของทุกขเวทานาต่างๆการแสดงการชี้แจงผู้ฟังเห็นตามคล้อยตามมีความคิดชอบมีความตัริเชอบก็กลายเป็นมรรคขึ้นภายในใจเขาพิจัยเขาก็จะเกิดรังเกียจบาปกลัวบาปสะดุ้งบาป ละอายแก่บาปมันก็กลายเป็นความสงบภายในใจเป็นอาการของนิโรธทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมว่ารือจะจับตรงไหนก็ตามจะ ก, กระเทือนกระทบกระเทือนไปทั้งทั้งอัตรศมันก็คล้ายๆกับการดำรงชีวิตประจำวันของบุคคลเท่าไเราพูดง่ายๆว่ากินข้าวพูดง่ายๆว่าไปวัดพูดง่ายๆว่าอาบน้า ผลงานวันนอนเอาก็จริงไม่ใช่อย่างเดียวทั้งก่อนทั้งขณะนั้นและต่อจากนั้นมีตั้งหลายอย่างหรือรุดเรื่อน้วดแล้ว แ, แต่เป็นเงื่อนไ ข, นขนปัจจัยกันจะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องมีอยู่โดยสภาพของ ม, มันธรรมาจึงกลายเป็นปริยายนัยยะต่างๆที่ทร ง, ง, งจำแนกแสดงไว้ ประเนสาคัญในภาคปฏิบัติคือเริ่มตรงไหนก็ได้ก็จะมีจุดบรรจบของเขาเพราะว่าทุกหัวข้อของธรรมานันเป็นการสอนเรื่องอริยสัจทุกครั้ง้วยมีการปฏิบัติพอเกิดผลเราเห็นการลดการเพิ่มได้ชัดเจน เ, เห็นการลดของส ม, มุทัยเราเห็นเกการลดของทุก เห็นการเพิ่มของมากเห็นการเพิ่มของนิโรธก็กลับมาการรับประทานอาหารเช่นเดิมเกินนที่รับรับประทานอาหารเราเห็นการลดการเพิ่มมี่ติชัดเจนหรือเห็นการเพิ่มขึ้นของอาหารที่รารับประทานเข้าไปการเพิ่มขึ้นของความอิ่มหรือการลดของเหตุที่หิวและการลดของความหิว พอควายเพิ่มเขาถึงจุดหนึ่งควายลดก็จะลดหมดอาการของความหิวกับเหตุให้หิวไม่ปรากฏมันปรากฏเฉพาะความอิ่มกับเหตุได้เกิดความอิ่มแต่มาปฏิบัติเขาก็เป็นเราอย่างนั้นจะมีการเพิ่มการล ด, ดโดยธรรมชาติแต่ว่าเวลาพูดท่านไม่พูดเพราะถ้าพูดแล้วจากที่จะมีเนื้อหายเยอะแล้วคนจะขยาดคนจะกลัวต่อการประพฤติปฏิบัติ ธรรมะส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่องประจักษ์ที่จะแสดงไว้ในธรรมคุณสองบทหรือบทที่สองกับบทสุดท้ายที่ว่าสันติโกผู้บรรลุจะเห็นได้กับตัวเองปัจตางวีเดตโบวินโยชิวินโ ย, ยชนจะรู้ได้เฉพาะตน <c oughs> ธรรมะจึงปรากฏที่จิตเราเห็นที่จิตของเรา <c oughs> การเห็นนั้นเป็นการสัมผัสทางจิต เป็นการได้ลิ้มรสของธรรมะทางจิตจิตจะเป็นตัวรู้จะเป็นตัววินิจฉัยพอรสธรรมะกับรสของกิเลสที่ตัวเองเคยสัมผัสอย่างต่อเนื่องมานั้นมีความแตกต่างกันรสธรรมะที่ตนสัมผัสได้สลายรสของกิเลสออกไปรสคนธรรมะจะชนะรสท้องปวง ตามที่ทรงแสดงเอาไว้กว่็ทำให้คนเกิดฉันทะอุตสาหะมีความกระตือรือร้นที่จะสัมผัสผลเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นภาพเหล่านี้มัก็เหมือนกันเรื่องทั้งหลายที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอะไรก็ตามที่เราพอใจชอบใจดื่มดําในเรื่องเหล่านั้นก็จะมีความกระตือรือรน้นมีความเพียรพยายาม ที่จะสัมผัสผลเหล่า น, นั้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็นานขึ้นตลอดถึงเป็นผลที่ถาวรต่ตอนนี้ไปพอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป